อาสนะปฏิภาหณะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามการกีดกันอาสนะเรื่องอันเตวาสิก ข, ของพระฉัพพัคคี สมัยนั้นคนทั้งหลายตกแต่งมนดบจัดเตรียมเครื่องลาดจัดเตรียมบริเวณไว้เจาะจงพระสงฆ์พวกภิกษุอันเตวาสิก ข, ของพวกภิกษุฉับ พ, พักคีกล่าวว่าเสนาสนะเฉพาะที่เป็นของสง์เท่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตตามลำดับพรรษาไม่ได้ทรงอนุญาตของที่ทําเจาะจง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 ก็ได้กระแอมรับพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าใครอยู่ที่นั่นท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าสารีบุตรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสารีบุตรทําไมเธอจึงมานั่งที่นี่เล่า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 ครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรร ม, มีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกีดกันแม้ของที่เขาทำเจาะจงตามลำดับพรรษารูปใดกีดกันต้องอาบัตทุกกฎ